จเรทรนะญาติโยมสาธุชนนะเดินทำไมอันนี้เป็นคำถามที่อาตมาพบบ่อยตอนที่เริ่มเดินธรรมยาตราธรรมยรานี่เฉพาะที่ชัยภูมิเนี่ยก็เริ่มจักตั้งแต่ปี 4-3 สนะก็คือ16ปีมาแล้วแล้วก็จัดทุกปี ตนที่จัดใหม่ๆเนี่ยคนที่จะถามว่าเดินทําไมเพราะสมัยนี้เขาไม่เดินกันแล้วนะก็ <c oughs> นั่งรถจะไปไหนมาไหนก็นั่งรถกันนะทําไมต้องเดินเจ็ดแปดวันก่อนหน้าเนี่ยธรรมาไปร่วมเดินธรมรมตถาทะเลสาบสงขลาเดินเป็นเดือนนะซึ่งเริ่มในปีสามเก้าก็มีคําถามว่าเดินทําไมอรรมมาเริ่มจักในปีแรกๆที่สงขลาก่อ น, นปีสามเก้า คนสงสัยว่าทําไมไม่นั่งรถนะก็บอกเข้าไปว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเรามีความเชื่อบางอย่างหรือเราสึกว่าอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญเนี่ยและเรายังยืนยันที่จะพูดหรือทํำสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ลําบากมันแสดงว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราทําเป็นสิ่งสำคัญนะ่ไหม ถ้าเราพูดถเรื่องสิ่ว่าร้อมแต่เราพูดในห้องแอร์มันก็ไม่มีน้ำหนักใช่ไ่มหรอือพูดเรื่องสติภาพเนี่ยแต่เราพูดในห้องแอร์มันก็ไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องสิ่ว่ารอ้อมพูดเรื่องสิทธิพูดเรื่องสติภาพขณะที่เราทั้งที่เราเหนื่อยนะทั้งเท่า ท, ที่เราลำ บ, บากเดินตากแดดนะแต่เราก็ยังยืนยันที่จะพูดที่จะทำเรื่องนี้ มันแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญดังั้นการเดินเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อเห็นว่าหรือบ่งชี้ว่ายืนยันว่าไอการเรียกร้องของเราเนี่ยเราเห็นความสําคัญเราถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีความหมายมากคือเราพร้อมที่จะเหนื่อยเราพร้อมที่จะลําบากเพื่อมันนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเป็นจุดมุ่งหมายข้อแรกแรกขงการเดินตอนที่จะเดินธรรมยาตราเนี่ยมันชื่อเต็มว่าธรรมยาตราเพื่อชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ํำลําปะทาวเราก็เดินเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทําลายใ น, นลุ่มน้าลําปะทาว ก็คือบนเทือกเขาคูเรนคานะก็ไม่ได้เดินนานนะเจ็ดแปดวันนะก็เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เดินด้วยความสงบนะเดินตากแดดนะตากฝนแล้วก็ไปค้างแรมตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะไปบอกบอกข่าวบอกกล่าวว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสินงแวดล้อมอย่างไร แล้วเขามีใครบ้างที่พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะาตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําเสียเพราะว่าใช้สารเคมีอาจจะมีปัญหาว่ามีการทําลายป่าหน้าดินถูกทําลายแต่ว่าก็จะมีคนอยู่สามสี่คนในหมู่บ้านที่ก็พยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อฟื้นฟูสภาพ แล้วเราไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเราก็ไปหนึ่งเราก็ไปบอกว่าที่นั่นที่นี่เขามีปัญหาอะไรบ้างสองที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาแก้ไขกันอย่างไรแล้วก็พยายามทำให้ก็เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยอย่าไปรอรัฐบาลอย่าไปรออาบาต อ, อย่าไปรออาบาจอนะเราทําได้เลยเพราะที่นั่นที่นี่ขอก็ทํา อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวัตถุประสงค์ของการเดินนะก็คือเพื่อไปมันก็ไปบอกกล่าวเล่าสิทให้แต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเขาได้รู้ว่าที่อื่นเนี่ยเขามีปัญหาอย่างไรและเขาพยายามที่จะทําอะไรบ้างแบบไม่ยอมนิ่งดูดายใช่ไหมมันก็เป็นการให้กําลังใจกับคนในหมู่บ้านที่ตื่นตัวอยากจะทําเรื่องนี้เพราะว่าในในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีคนที่รักหมู่บ้านรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อม บางคนก็เฉเดียวกระเทมรีพอเราไปนะตามที่ต่างๆก็เขาก็จะได้รู้โอมีที่นั่ น, นที่นี่เขามีทํากันนะก็เกิดกําลังใจทําต่อไปแล้วก็ในอีกด้านนก็ เ, เป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกว่าจะรอให้สิ่งรอบมันเสื่อมทรมไปโดยที่ไม่ทําอะไรเลยจะไม่ควรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยเวลามีปัญหาเนี่ยสะพานเสียถนนขาดเนี่ย เขาก็รออบตนะแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นชาวบ้านเนี่ยร่วมมือร่วมไม้ทําแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอบอตแล้วไงมีอบจแล้วไงเขาก็จะรอและบางครั้งเนี่ยปัญหาเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ควรจะร่วมแรงร่วมใจนะถามเลยเพิ่ะเรื่องดล้อรเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีคนสนใจอบอตอส่วนใหญ่ก็สนใจแต่เรื่องสร้างถนนนะ ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องสิยงระร้อกเขาไม่ค่อยสนใจน ะ, อะไอ้เลื่องเป็นโครงการใหญ่ๆก่อสร้างเนี่ยเขาสนใจมากนะถนนสะพานเนี่ยสร้างโ น, นสร้างนี่เนี่ยศาลาประชาคมเนี่ยเขาเต็มที่เลยนะแต่พอเจอเรื่องเสียงระร้อกเขาไม่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกปล่อยทิ้งคาราทัศน์เนี่ยพอเราเดินจัดทำเรื่องธรรมชายิไตรก็กตุ้นทาให้หมู่บ้านอะไหรหมู่บ้านก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะแล้วก็ตอนนี้การเดินเนี่ย มันเป็นมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ตามที่เขาต้อนรับธรรมยาจารเนี่ยเขาก็เกิดความสนใจเราเดินทําไมเราไปค้างแรมที่ไหนเขาก็มาคุยเราก็เปิดวงคุยเรื่องนี้เอาสไลด์มาแสดงบางทีก็เล่นละครให้ชาวบ้านดูนะมาแล้วก็เปิดวงคุยกันแล้วก็เดินธรรมตามีพระมาด้วยแล้วชาวบ้านเนี่ยตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย พอถึงหน้าหน้าแหลงเนี่ยเช่นเดินธันวาเนไม่ค่อยมีพรล้หลายหมู่บ้านพอมีพระมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบเขาก็ถือโอกาสมาเพื่อทําบุญนะนานๆจะได้ทําบุญกับพระนะอันนี้มันก็เป็นประโยชน์ชาว บ, บ้านมาทําบุญก็เปิดวงคุยกันนะบางทีเราก็เอาผลการสํารวจน้ําเราเราทํำนักสืบสายน้ําสมัยก่อนนะเราเร า, เราจะไปสํารวจตามหมู่บ้านต่างๆลรำน้ําแล้วก็ตอนเช้าก็มารายงานว่า น้ำในหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนะปีที่เราไปหลายปีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะเราเก็บเราเก็บสถิติไว้ว่าห้าปีที่แล้วเนี่ยน้ํายังดีอยู่เลยตอนนี้น้ำมันเริ่มแย่แนะเขาจะรู้สึกเออมันมันต้องทําอะไรน ะ, นะอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมยัตราในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระตุ้นให้คนเนี่ยในรุ่มน้ำธรรมาทาวเนี่ยเขาตื่นตัวนะซึ่งแต่ก่อนคนก็ไม่เข้าใจนะว่าเรามาทําอะไร เห็นเดินเห็นเดินอยู่บนถนนเนี่ยนะจะทูดงก็ไม่ใช่นะจะประท้วงก็ไม่เชิงใช่ไตอหลังเขาเลอืออนี่มันธรรมยตานะแล้วก็เป็นโอกาสที่ให้ชาวบ้านมาทำบุญและการที่เดินไปเนี่ยมันมีโอกาสสังเกตการที่เดินเนี่ยมันมีโอกาสได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดของชุมชนนะเวลาเรานั่งรถเนี่ยนะเรา สนใจเราถ้าจะไม่สนใจสองข้างทางแต่เวลาเราเดินเนี่ยเราก็เห็นว่าสองข้างทางมันเป็นอย่างไรมันลําบากยังไงมันร้อน ย, อยังไนงนะเจอแดดแรงๆนี่รู้เลยว่าต้นไม้เนี่ยมีค่ามากเพราะความไม่รู้สึกว่าเงาของต้นไม้เนี่ยมันมีความหมายนะเพราะว่านอนเอ๊ะนั่งในห้องนั่งในรถอยู่ในห้องแอร์เนี่ยหรืออยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าเงาต้นไม้เนี่ยมันมันสําคัญอย่างไงแต่พอมาเดินกลางแดดจะรู้เลยโอ้โหรักต้นไม้ไหม ความรับตัวมันเกิดขึ้นกับคนเดินอันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของของการเดินนั่นคือประโยชน์ที่เกิดกับผู้เดินด้วยประโยชน์ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดกับชุมชนที่เราที่เราเดินผ่านนะแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนเดินซึ่งเขาเราก็เน้นว่าการเดินธรรมะตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเดินเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับธรรมชาติแต่เป็นการเดินปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยก็จะเดินด้วยความสงบ นะไม่พูดไม่คุยโดยยังมีสติซึ่งมันมีประโยชน์เพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสามารถจะรักษาใจให้สงบได้แม้ว่าแดดมันจะร้อนแล้นะควคำขวัญธรรมยถาตาเรามาเท้ามันบอกว่าเนี่ยกายร้อนใจไม่ร้อนนะร้อนแต่กายใจสงบเย็นให้คนเดินก็สงสัยมันทําได้อย่างไงเหนื่อยแต่กายในะใจเบิดบานทําได้อย่างไงนะล้วก็มาช่วยให้มาเดินดูว่า ถ้า เ, าเดินแล้วเรารักษาใจดีเช่นเดินอย่างมีสตินะจิตอยู่กับปัจจุบันมันก็จะทําให้ใจไม่รุ่มร้อนเพราะว่าส่วนใหจเนี่ยเวลาเดินเนี่ยไม่ได้ทุกกายเนี่ยมันทุกใจด้วยเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแดดร้อนจริงโวยอะไรเงี้ยนะทำไมมันไม่มีร่มเงาไม่มีไม่มีอะไรเลยเนี่ยใจที่มันบ่นเนี่ยมันยิ่งทําให้ใจเราไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยร้อนก็ร้อนไปนะใจสงบใจไม่บน่นไม่โวยวาย แต่ที่จะกังลวลว่าเมื่อไหร่จะถึงก็ให้อยู่กับปัจจุบันเราก็จะก็จะทุกข์ใจน้อยลงมันก็มีความขวานัญที่เราเตือนคนเดินว่าจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันนะถึงอความหมายก็จะจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับตัวเวลาเราเดินเนี่ยนะถ้าใจเราไม่อยู่กับตัวเมื่อไหร่นะไปอยู่ที่จุดหมายนะมันท้อเมื่อไหร่จะถึงยิ่งแปดร้อยกิโลเมตรนะโอ้เดินแ้าตาย วันนี้ได้แค่ยี่สิบกิโลอีกต้องเจ็ดร้อยแปดสิบกิโลทีแค่นี้เนี่ยมันทอแล้วนะนะที่แค่มันทอแล้วนะโนะ อ, นะอ้ต้องเจ็ดร้แปดสิบกิโลนะนะวันนี้ไปได้แค่ยี่สิบกิโลช่แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับตัวหรือใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีความกองบนเรื่องนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องของธรรมญาตาละปทานะซึ่งมันก็ มีจุดหมายเฉพาะของมันนะ แ, ตแต่สิ่งที่อาตารยอยากจะเน้นคือว่าการเดินเนี่ยนะมันมีจุดมุ่งหมายหลายอย่างนะและถึงแม้ในยุคนี้เนี่ยเราจะมีรถนะเรามีรถยนต์เรามีเครื่องบินแล้วเนี่ยแต่การเดินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังสาคัญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าเราไปไหนไปนไหนเนี่ยเราใช้แต่รถนะสุขภาพเราจะแย่ นะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยนะคนเนี่ยป่วยมากขึ้นเพราะว่าการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะไม่ค่อยได้เดินนะเขาเขาบอกว่าถ้าเราเดินทุกวันนะเดินวันละชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าถ้ายิ่งเราเดินได้นะวันละหมื่นเก้าเนี่ยมันยิ่งดีอันนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี่ การเดินก็มีคุณค่าแล้วถึงแม้ว่าเราไม่จะไปต้องเดินก็ได้เพราะเรามีรถนะแต่การเดินยังสำคัญอยู่สำหรับสังคมสมัยใหม่ที่มีการมีรถโดยมีพานนะแลวมันไม่ใช่เฉพาะสุขภาพกายเดียวนะความความเจริญงอกงามของสังคมเนี่ยมันก็อาศัยการเดินการเดินก็ช่วยเหมือนกัน การเดินเป็นเครื่องมือทางสังคมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาโดยตลอดนะแม้ว่ายุคนี้เราจะไม่ต้องใช้การเดินก็แล้วก็ตามถ้าเราดูนะตอนนี้มันมีการการใช้วิธีเดินเนี่ยเพื่อจุดประเด็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องสันติภาพประเด็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสิทธิแรงต่าง ม, มากมาย แล้วมันเป็นมานี้มาตลอดนะการเดินที่มีชื่อเนี่ยนะการเดินที่มีชื่อการเดินที่เริ่มต้นด้วยคาร์ทีนะตอนที่คาร์ทีเนี่ยเขาเขาบอกกับสื่อบอกกับประชาชนว่ากับสาธารณชนเขาจะเดินไปไปไปทําเกลือนะระยะทาง400กิโลเมื่อประมาณ สิบกว่ปีที่แล้วคนหัวเราะว่าไอการเดืองคารทีเนี่ยมันจะมีความหมายอย่างไรกับการต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อสังนครอน อ, อำนาจของอังกฤษนะแต่หลังจากที่คือตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยดนะอังกฤษมันมีกฎหมายว่าห้ามทําเกลือเองทิโตนะ่ามีกฎหมา ย, ยา น, นะห้ามทําเกลือเองนะต้องซื้อเกลือใครทําเกลือเองเนี่ยถูกจับ การที่บอกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องมันอยุติธรรมการที่บอกว่าฉันจะไปทําเกลือเองโดยการเดินระยะทางศิริเกลเมตรมาถึงนะมาถึงริมทะเลถึงชายหาดคนก็หัว่ล้อว่าแค่นี้เหรอมีปัญญาคิดแค่นี้เหรอนะเดินนะและการทีก็เริ่มเดินนะใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่าวันเดินประมาณ เฉลี่ยวันละยี่สิบกิโลทีแรกเดินเนี่ยประมาณสามสิบี่สิบคนยิ่งเดินคนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันและเป็นหมื่นเพราะว่าสิ่งที่คารทีเดินเนี่ยนะมันไม่ใช่เดินเพื่อให้ถึงนะไอ้เดินเพื่อให้ถึงนี่นั่งรถก็ได้แต่เดินเพื่อเรียกร้องเพื่อจุดประกายเพื่อเปิดประเด็นถึงความไม่เป็นธรรมของอังกฤษที่มันห้ามทาเกลือพอไปถึงเนี่ยนะ พอไปถึงทะเลเนี่ยคนเป็นหมื่นนะมาร่วมเดือทานทีนะแล้วทุกคนเนี่ยกลูกันไปทำทาเกลือแล้วก็ถูกตำรวจจับแต่ตำรวจจับคนเป็นหมื่นเนี่ยมันจับไม่ได้นะวุ่นวายกันใหญ่เลยนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนถูกจับข้อคุกเนี่ยเป็นหมื่นนะแล้วก็อังกฤษก็เสียหน้ามากเพราะว่าจะไม่จับก็ไม่ได้แต่ถ้าจับแล้วเนี่ยมันก็เดือดร้อน คนก็หัวเราะคนก็สงสารจับได้ยังไงว่แค่ทําภาษีเกลือ้อแค่ทําเกลือเนี่ยจับข้าคุกแล้วนะนะอันนี้มันก็สะเทือนมันก็เป็นจุดจุดจุดประกาศให้เกิดการต่อต้านการการประท้วงอังกฤษยืดยาวต่อมาอีกอีกอีกหลายเดือนนะนะจนกระทาั่งอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าสูญเสียความชอบธรรมอันนี้เป็นการเดินที่มีที่มีชื่อมากในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเรียกว่า การเดินการเดินเพื่อทำเกลือนะภาษาฟรังเลสอลทมาสแล้วก็มีการเดินนี้ต่อมาเรื่อยๆนะที่เอาเอาที่ใกล้ตัวหน่อยนะก็ประเทศอินเดียไม่ใกล้ตัวที่ใกล้ใกล้ยุคสมัยนี้หน่อยนะก็คือการเดินเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่า ประมาณสักสามสิบสีสิปีที่แล้วเนี่ยมันมีมันมีการที่ประเทศที่ลับที่รัฐที่มัจจันประเทศรัฐที่มัจจันประเทศมาอยู่ทางเหนือของของอินเดียแล้วก็มีการให้สัมปทานบริษัททําไม้ตัดต้นไม้ใหญ่ใญ่โดยที่ชุมชนไม่รู้เรื่องชาว บ, บ้านเนี่ยไม่รู้ทํำยังไงไม่มีปา่าไม่มีเสียงชาว บ, บ้านใช้วิธีโอบ ก, กอต้นไม้ โอบ ก, กอดต้นไม้ไม่ให้เขาตัดต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเอาเลื่อนไปแล้วนะชาวบ้านไม่รู้ทำยังไงนะเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยไปกอดต้นไม้เอาไว้ตัดไม่ได้ใช่ไหมก็พยายามหาทางทําทุกวิทธิชารมเพื่อที่จะตัดต้นไม้ได้สุนเดรานสุนเดลลาบาฮู ก, กุน่านหรือผู้สั้นๆแบบไทยๆสุนทรลานสุนทรลานพระบุคคลนะเพขาเป็นเป็นโต๊ะโผเป็นเป็นแกนนําในการเคลื่อนไหว การประท้วงแม่ตัดต้นไม้ เ, มเกิดขบวนการที่เราชิปโก้ชิบโก้แปล ว, ว่าก่อขอบวนการอกก่อแล้วเขารู้ว่ามันต้องทํากันแบบเป็นเป็นขบวนการเขาก็เลยใช้วิธีการเดินจากมู่บ้านหนึ่งไปหมวยปู่บ้านหนึ่งเดินนะระหว่างที่เดินเนี่ยก็มีการระหว่างที่เดินก็มีการเ้าเดินไปทําสมาธิไปถึงไหนเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวเรื่องความจำเป็นต้องอนุรักษ์ตน้นไม้ แล้วก็กระตุ้นว่าชาวบ้านเราเนี่ยมีกําลังที่จะปกปักรักษาต้นไม้ได้ประใช้วิธีการเดินเงี้ยนะเดินเป็นเดือนจนถ้ามาเกิดขบวนการจิปโกที่เรียกว่าคขยายใหญ่โตมากคนเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นพันก็เอา ส, สั้นสั้นสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้รัฐบาลในฟองยกเลอสัมปทานการตัดไม้เพราะว่าการกระท้วงมันกว้างขวางว่าและซุนเดลลาเ น, นี่ก็เป็นแค่เป็นเดินแนวทางคานที สุนทรานี่เคยมาเมืงไทยนะเขาเคยมาเมุงไทยเขามาสนทนากับหลวงพ่อที่ทําเรื่องบวชต้นไม้เรื่อเราคงจําได้มีการบวชต้นไม้นะเมื่อประมาณเกือบสามสิปีมาแล้วที่พูหลง ก, ก็มีบวชต้นไม้นะหลวงพ่อประจับ ก, ก็จัดให้มีบวชต้นไม้สุนทรลานี่นนก็เคยมาสนทนากับรครูพิทักษ์รครูมนัฑนาทีพิทักษที่เชียงรายเรื่องการรักษาต้นไม้ ใก้ตัวเพื่แยงหน่อยเนี่ยที่ประเทศเขมรธรรมมาญาตรามันเกิดขึ้นั้างล่างที่ททเขมร น, นะปีประมาณสามสองสามสามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขมรเนี่ ย, ม, นนยมันเกิดสงครามนะเขมรสามฝ่ายมีการทําสัญญาสันติภาพระหว่างเขมรสามฝ่ายว่าจะเลิกลบเลิกทางสงครามกันแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีความมั่นใจแล้วว่ามันจะมีสันติภาพจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังมีกําลังอาวุธ สมเด็จมหาโพษณันทะท่านต้องการที่จะทำให้ปลุกความเชื่อมั่นของประชาชนว่าสันติภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ต้องการทำให้เกิดความมั่นใจในส่วนที่สัญญาสันติภาพนะของเขมรสามฝ่ายท่านเลยจัดเดินธรรมยาตราเดินธรมยตราในเขมรฝ่าเขตสงครามซึ่งอาจจะมีอาจจะมีกับระเบิด คนเนี่ยนะไม่มั่นใจแต่ว่าพอสมเด็จมหากรสนันทาท่านจัดธรรมยาตราเนี่ยเป็นใช้เวลาเป็นเดือนนะตั้งแต่ตั้งแต่ชายแดนไทยอ่ะซึ่งเป็นเขตซึ่งเป็นเขตเขมรแดงนะชายแดนไทยเนี่ยเ็นเขตเขมรแดงนะไปถึงพนมเปซึ่งเป็นเขตเขมรของเหีงสารินหรือว่าพุนเซนปรากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างนะไม่มีการสู้รบกัน คนเดินเนี่ยเป็นเป็นรอยนะมีพระไทยก็ไปเดินเยอะนะเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกนะว่ามาเป็นการเดินที่ที่อยู่ในสายตาของทั่วโลกแล้วปรากบว่าเดินเนี่ยสำเร็จไม่มีเกิดสงครามไม่มีเกิดการฆ่ากันแล้วก็ทําให้ในระหว่างที่เดินเนี่ยประชาชนในแต่ละเขตที่ถือหาคนละฝ่ายเนี่ยก็เริ่มเริ่มพบปะพูดคุยกันฝ่ายคอมแดงก็เริ่มสนทนากับฝ่ายเฮงสํมรินหรือว่า เซนเน่ยนะแล้วก็ก็เริ่มที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันในฝ่ายประชาชนมันก็เลยเกิดธรรมยาตราที่ที่ ท, ที่ที่คอเมตเนี่ยทุกปีประมาณสักสามสี่ปีมอ้คราวนี้มันก็เลยเป็นจุด ป, ประกายทำให้เกิดธรรมยาตราอรอบทะเลสาบสนขลาปีสามเก้านะแต่ว่าความเสีย่ยงความอันตรายก็น้อยนะเพราะว่าประเทศเราก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนอกจากเรื่อง ตอนนั้นก็จับกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มันมีการเดินที่ใช้เวลานานนะพวกเราจะเคยได้ข่าเดินเพื่อสันติปัตตานีนะเป็นพันกิโลนะแต่เมื่อปีห้าสามนะเดินจากสารยาไปจนถึงปัตตานีนะก็เดินคนไม่เยอะสิบยี่สิบคนแต่ว่าแต่ละที่ที่ที่ไปเนี่ยก็เป็นการเปิดเวทีคุยเรื่องสันติภาพ คุยเรื่องความร่วมมือกันระหว่างชาวพุทธกับอิสลามมุสลิมเป็นต้นนะเจรญพรแล้วยังมีการเดินเพื่ อ, อเพื่อเพื่อแม่นําเจ้าพรยานะจากโนนเชียนดาวมามากรุงเทพเนี่ยกิโลเนี่ยโอ้โหเป็นพันโลนะเพราะนั้นเนี่ยในนี้การเดินเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางสังคม นะที่ใช้เนี่ยในการเปิดประเด็นจุ ป, ปกายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพแล้วก็เกี่ยวกับประเด็นอะไรก็กตามเนี่ยทั้มาคิดว่าเนี่ยไอ้ที่เราทำนี่ก็เป็น ก, ก, การใช้การเดินเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยทำให้เกิดความตื่นตัวได้ไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าข้อสาคัญคือว่าในรหวอที่เดินเนี่ยน ะ, ะเราก็ต้องวางจิตวางใจให้เป็นด้วยเพราะถ้าเรา ต้งระวังจิตระวังใจงไม่เป็นเนี่ยเราจะท้อง่ายนะแล้วยิ่งเดินแปดรอยกิโลเนี่ยนะเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยนะโอากาสที่จะท้อเนี่ยนะหรือว่าเดินด้วยความทุกข์มันมีในเมื่อเราเดินเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อสังคมหรือเดินเพื่อเพื่อสิทธิเพื่ออ่าสิทธิของชาวบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่แค่ทําประโยชน์ท่านอย่างเดียวต้อง มงเป็นประโยชนตนด้วยก็คือว่าเดินแล้วเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์แม้ว่าร่างกายมันจะเหนื่อยนะแม้ว่าร่างกายจะกรอแต่ว่าถ้าเรารักษาใจดีเดินยังมีสตินะมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะเดินไปได้ตลอดและในระหว่างในระหว่างเส้นทางเนี่ยโอกาสที่เราจะได้จุดประเด็นที่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยก็มีอันนึ้งที่ต้องทำใจเผื่อก็คือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็คงมี อาจจะเป็นชาวบ้านบางกลุ่มชาวบ้านสองทางทางที่ไม่เข้าใจคนเมืองคนเมืองที่เขาไม่เข้าใจไม่รับรู้ปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมรวมทั้งแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ราชการนี่ยเนี่ยโดยเฉพาถ้าพูดเรื่องสิทธิเนี่ยพูดเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยสวายนี้หลายคนก็รู้กวมันเป็นเรื่องแสลงหูหนะเพราะฉะนั้นเคขาจะไม่เข้าใจเราก็อย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปมองเขาเป็นศัตรูอย่าไปตกรวจย่ไปเกลียดเขาพยายามที่จะใช้ พยายที่มองเขาด้วยสายตาที่เป็นมิตรแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงเพื่อให้เขาเนี่ยได้ได้เข้าใจว่าเราเดินเพื่ออะไรนะสมัยนี้เนี่ยคนที่มังมีความเห็นต่างกันเยอะนะ่องความเห็นต่างเนี่ยบางทีมันก็ถูกกระพรือด้วยความไม่เขใจนะเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจก็ขึ้น f เฟซบุ๊กแล้วแล้วก็เขียนด่าเนะี่ยคือบางทีเนี่ยมัน เห็นต่างไม่จาเป็นต้องด่าก็ได้นะแค่ไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่ว่าสามารถจ ะ, ะมีความเป็นมิตรกันก็ได้ในบรรยากาศวันนี้เนี่ยเรามาว่าคนเนินต้องเข้มแข็งต้องหนักแน่นนะใครก็จะพูดยังไงก็อย่าไปมองเขาเป็นเป็นศัตรูนะให้ถือว่าเขาเพียงแค่ไม่เข้าใจนะ ถ, ถ้าเราพยายามที่จะมีความเป็นมิตรกับเขานะก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราทา หรือถึงแพ้่แม่แม่แมไม่เขา้เขาใจนะแต่ถ้าเรามีความเป็นมิตรกับเขาเขาก็จะลดความเป็นปฏิปักษ์กับเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะโดยเฉพาะการเดินในในประเด็นอย่างนี้เนี่ยก็ฝากเอาไว้นะครับ อ, อยากรบกวนให้หลวงพี่นิดหนึ่งมาึงว่าอยากอยากทราบว่าหลังจากที่เดินมาเป็นสิบปีเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเิขึ้นในพื้นที่ไหมอ่าการตอบรับหรือลวกปรธรรมของสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับหลังจากการเดินต่อเนื่องมาได้หลายปีครับผลของการเดินที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับจริงๆภาพรวม ม, มันก็เปลี่ยนแปลงไมมากนะคถ้าภาพรว ม, มนเพราะว่าเราเดินเนี่ยเราเครอบคุมตลอดสิบสิบหกปีที่ผ่านมาเราเดินครอบคุมเนี่ยสามสิบสี่สิบหมู่บ้านครนะแต่ว่ามันเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในมาหมู่บ้านนะที่เขาเกิดความตื่นตัว เช่นเราเคยไปเดินที่ไปเดินที่บ้านไปเดินที่บ้านกุดงงที่จริงเราสตาทที่บ้านกุดงงขุดงงนี้ก็คือขุดงงที่ใช้ฟูนะที่เป็นแหล่งใบใบเสมาเนี่ยเขาเกิดความตื่นตัวเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะรวัฒนธรรมแล้วก็เห็นความความสำคัญของการที่จะเรียกว่ารักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมเลยแต่ว่า ไอการที่เราไปเริ่มต้นสตาร์เดินเมื่อปี55ที่ดันเนี่ยมันนั้นก็เพราะเกิดความสนใจกับความตื่นตัวคนท้างนอก น, นี่สนใจเขานะแล้วทั่วนี้ก็ยังทําทําเขาอยู่นะตอนนี้เราก็มีการทําวิจัยติดตามหมู่บ้านนี้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างบางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรที่ไม่ใช่ไม่ใช้สารเคมีมากขึ้นนะหลายหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยเคยมีประเภทว่าไม่สนใจเรื่องการอนุรักษ์น้าเลย เช่นแหล่งน้ําเนี่ยนะน้ําเนี่ยซึ่งมันเคยไหลเนี่ยแต่ก่อนมันก็สายตอนหลังก็มาใช่เป็นที่เช็ดที่เป็นที่เช็ดอทำความสดดดดบบาดรถรถรถมอเตอร์ไซค์รถรถตบะแล้วก็น้ํามันก็เสียเพราะน้ํามันแงต่างก็มันก็ไหลไปตอนหลังเขาก็เลิกนะแต่ก่อนเคยมีอบตอนเนี่ยเขาก็ไปแอบเอาไอไอรถสูบส่วงเนี่ยนะ ไปปล่อยนะไปไปทิ้งไปเลยริมน้ำ น, นะพอพอมีธรรมญัตาพขาก็เริกชาวบ้านพขาก็ไม่เขก็เขาก็เรนะิ่มเริ่มโวยนะว่าไอ้ความวันนี้ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปลาละเลยกันคืออะไรที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยบางทีมันไม่มีเจ้าภาพคนรู้สึกแบบ น, นั้นเออถ้ามาทิ้งในที่ของฉันเนี่ยฉันโวยแต่ถ้ามาทิ้งในที่ที่เป็นของส่วนรวมเนี่ยฉันไม่สนใจเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่มีใครเดือดร้อน แต่ที่จริงคนเดือดร้อนเนี่ยมันเยอะเพียงแต่ว่ามันกระจายความเดือดร้อนเจ้าตัวเลยไม่รู้สึกแต่และคนเลยไม่รู้สึกแต่พอข้อเห็นแบบนี้เนี่ยก็ตื่นตัวขึ้นมามันจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ก็คืออันหนึ่งที่พยายามทําคือการ ช, อช็อกชุนในรื่อนุรักษ์พื้นที่ป่าที่อยู่ที่อยู่ใกล้ใกล้ชุมชนเขาเช่นป่าไผ่นะซึ่งตะกอนเนี่ยพ่อจะปล่อยเขาไม่เขจะไม่สนใจหรือไม่รู้ทํำยังไงเพราะว่าใครต่อใครก็มาเอาไข่ จนกระทั่งมันแทบจะไม่เหลือแล้วตอนหลังเขาก็เริ่มมีความสังหารการที่จะต้องเออมีกติกาชุมชนนะว่าจะมาเอาไผ่เนี่ยจากคนข้างนอกเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้มามาเอาไผ่มาเอ า, นอาหนอกไม้ตามใจชอบเนี่ยอันนี้มันมีเป็นประเภทเป็นจุดๆไปแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะไอ้ละล уж น้ำโลกทาวเนี่ยมันก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาแต่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนจุดๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นความแปรที่เกิดขึ้นได้มากคือคนเดิน คนเราก็ตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็สนใจข้อเห็นความสาคัญของการ เ, รเดินอย่างเดินอย่างมีสติเห็นความสาคัญของรักต้นไม้มากขึ้นอยู่ง่ายมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันมีความเป็นการได้ชัดกับคนเดินมี ด้วยเลยเนี่ยนะคะก็ใส่ตัวได้เลยนะครับโอ้ยังกินิตอลักยังกินิตอลักนะครับรู้สึกมีพลังในการเดินเพิ่มขึ้นอยากมาย่างนั่งสิครับลองลองเล่าลองแลกเปลี่ยนกันหรือแค่นี้ประสบการณ์การเดินแล้วอยากแช่นี้ก็ได้เด็กๆนี่หน้าเรยังไม่เคยไปบานน้องไม่้าองครับนาจะไม่มีค่ะพ่อพ่อมีอะไรจะเติมไหมคะพ่อสม เมื่อกี้ถาม